ว่าตรัสรูของพระองค์ว่าเป็นสัพพัญญูอย่างไรแล้วก็ทำให้ได้ความเข้าใจในคำสั่งสอนของพระองค์ว่าเป็นสัพพัญญู คือแสดงถึงความรู้ทั้งหมดดังกล่าวงั้นและก็เป็นคำสั่งสอนที่ทำให้ผู้ตั้งใจฟังได้ปัญญาในธรรมได้มีความรู้ทวถึงทั้งหมดตามพระองค์ ในข้อที่จะพึงรู้พึงเห็นนั้นๆ น, น, นี้แสดงถึงความเป็นพระศาสดาของพระองค์ว่าพระองค์นั้นได้ทรงเป็นพระสัพพัน ญ, ญู เป็นภูตจัสรุด้วยพระองค์เองดังที่ได้แสดงไว้ในปฐมเทศนาว่าธรรมะได้บังเกิดผุดขึ้นแก่พระองค์ก็คือรัรแสดงไว้ว่า จะขูโดวงตาญาณะคือความอย่างรู้ปัญญาความรู้ทั่วถึงวิชาความรู้แท้จริงอารกะความสว่างบังเกิดผลขึ้นในธรรมะทั้งหลาย ที่พระองค์ไม่ได้เคยทรงสดับมาก่อนวันนี้ทุกทุกควรกำหนดรู้ทุกในกำหนดรู้แล้วนี่ทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกทุกขสมุทัยนี่พึงละ ทุกขสุมไทยนี่ละได้แล้วนี้ทุกคานิโรธความดับทุกขทุกานิโรธนี้ควรกระทำให้แจง้งทุกขานิโรธนี้ในกระทำให้แจ้งแล้วนี้ทุกคานิโรธทคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกนี้ ควรอบรมปฏิบัติกระทําให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้ได้ปฏิบัติอบรมกระทําให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นแล้วดังนี้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่มีครูอาจารย์ มาเป็นภูบอกเป็นภูสอนให้ตรัสรู้พระองค์ได้ตรัสรู้ขึ้นด้วยพระองค์เองฉะนั้นจึงไม่มีเทพทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวง เป็นครูเป็นอาจารย์ของพระองค์พระองค์ได้ตรัสรู้ในธรรมะที่ไม่ได้เคยทรงสดับมาแล้วดังกล่าวนั้นด้วยพระองค์เองก็แสดงว่าธรรมะที่ได้ตรัสรู้นี้ ยังไม่มีมนุษย์ไม่มีเทวะหรือกล่าวรวปว่าไม่มีเทวดามันพร้อมท่านใดท่านหนึ่งผู้ใดผู้หนึ่งได้รู้มาก่อนถ้าหากว่า จะได้มีมนุษย์หรือเทพธดามันพรมภูใดผูหนึ่งได้รู้มาก่อนและแสดงสั่งสอนไว้พระองค์ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องส่งคนควานือพระองค์เองดังที่ปรากฏในพุทธประวัตินั้น วันได้ทรงเข้าศึกษาในสำนักของขณาจารย์เจ้าละคิทั้งหลายก่อนและได้ทรงปฏิบัติตามแบบทุกการกิริยาที่สั่งสอนนับถือกันเ่อปฏิบัติแล้วจะได้ประสบผล เป็นความสิ้นทุกข์ทั้งสิ้นพระองค์ก็เลยปฏิบัติเดชะธรรมมาทุกทางกินได้สอนกันที่ได้รู้กันก็ไม่ได้สงผบความสิ้นทุกข์มีชาติทุกข์เป็นต้นนั้นเรียกว่าโมกธรรม ตามที่ทรงปรารถนาเพราะฉะนั้นจึงต้องทรงสแสวงหาด้วยพระองค์เองและก็ได้พบพระองค์เองนั่นเองเป็นอาจารย์แนวทางเมืองตอน้นคือทรงระลึกถึงได้เมือทรงเป็นพระราชกุมาลเด็กๆได้ตามเสด็จพระราชบิดาไปในพิธีแรกนาขวัญในขณะที่ พระราชบินดากำลังทำพิธีแรกนาควันนั้นพร ะ, ระราชปภมานองค์ น, น้อยประทับ พ, พักอยู่ใจลมว่าจิตของพระองค์ก็รวมเข้าโดยกำหนดลมให้ใจเข้าออกจนได้บรรลุถึงปฐมฌาน แต่ต่อมาปธมชาตินี้ก็เสื่อมไปทรงะลือได้ก็เลยทรงจับทำสมาธิที่บริสุทธิ์นั้นจึงได้ทรงพบทางที่เป็นมัชชิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางคือมักไม่องแปด ด้วยพระองค์เองก็ได้ทรงปฏิบัติดำเนินในทางนี้จนบริสุทธิ์บริบูรณ์ครอบทวนจึงได้ตรัสรู้คือจักสุดวงตาปัญญาในผุดขึ้นในอริสัตทั้งสี่จิเลศในกล่องทุกข์ก็สิ้นไปจึงได้พอประไทัยว่า ได้ตรัสรู้แล้วทรงสิ้นทุกข์ทั้งสิ้นมีชาติที่ทุกข์เป็นต้นแล้วกิเลสอาสวะทั้งปวงดับไปหมดสิ้นแล้วดังนี้และได้ทรงแสดงธรรมะที่ตรัสรู้นี้ สั่งสอนเพราะฉะนั้นจึงได้พระนามว่าศรัทธาที่แปลว่าภู้สั่งสอนเราเรียกกันในภาษาไทยว่าพระศาสดาศรัทธาเป็นภาษาบาลีศาสนาเป็นภาษาสันสกฤต ก็แปลว่าผู้สอนนั่นเองและพระองค์ทรงเป็นผู้สอนที่สอนธรรมะที่ตรัสรูนี้แก่เทพทั้งหลายด้วยแก่มนุษย์ทั้งหลายด้วยตลอดจนถึง แก่สัทธิริชานบางสัทธิริชานและแก่โอปปปาติกะที่ต่ำกว่าเทพให้ในความเลื่อมใส หรือให้ได้ความรู้เท่าทีภูเกิดในภูมิภพนั้นๆอยมีได้เป็นได้เป็นเหตุให้เลื่อนภูมิภพที่ต่ำนั้นสูงขึ้น เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าพระองค์เป็นมนุษย์คนแรกในโลกที่ได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองในธรรมะที่ ยังไม่มีเทพผูใ้ใดยังไม่มีมนุษย์ผู้ใดได้รู้มาและก็ได้ทรงสอนแก่เทพแก่พรหมแก่มนุษย์ทั้งหลาย ให้บรรลุถึงสุขประโยชน์ตามภูมิตามชั้นความเป็นศาสดาคือความเป็นผู้สอนของพระองค์นั้นมิใช่ศักด์ในว่าสอนเท่านั้นเหมือนอย่างครูอาจารย์ ธรรมดาทั้งปวงแต่ว่าได้ทรงประกอบในลักษณะพิเศษของครูอาจารย์ก็คือทรงได้ทรงถึง ธรรมะที่ทรงสอนนั้นแล้วทรงปฏิบัติธรรมะที่ทรงสอนนั้นได้ถูกต้องครบถ้วนคือบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วจึงทรงสั่งสอน เพราะฉะนั้นจึงไม่มีผู้ใดาสา ม, มารถจะติกเตียนพระองค์ได้วสัก์แต่ ว, ว่าสอนเท่านั้นแต่ว่าทาไม่ได้ทรงทาได้แล้วบริสุทธิ์บริมูลดังที่เรียกวสัพพัญยูดังกล่าวนั้นจึงทรงสอน ธรรมะที่ทรงสั่งสอนนั้นได้มีอยู่บริบูรณ์แล้วในพระองค์เช่นโพธิปัิฐิธรรมที่ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติสติปัฏฐานสีสมปัฏฐานสี อิทิบาีอินซี่ห้าพละห้าโพธงเจ็ดมัคมมองแปดทรงปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนแล้วอิยสัตสี่กนตรัสรูถูกต้องครบถ้วนแล้ว มีมุดความหลุดพ้นมักผลนิพพานทรงบรรลุถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงไม่มีกุศลธรรมข้อใดข้อหนึ่งที่พระองค์ไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ได้ และไม่มีอคุศนธรรมข้อใดข้อหนึ่งยังเหลืออยู่ทรงละอกุศนธรรมได้หมดสิน้นทรงปฏิบัติในกุศลธรรมทั้งปวงในครอบท่วนบริบูรณ์อิเลสทั้งปวงทั้งที่เป็นอย่างหยาบทั้งที่เป็นอย่างกลาง ทั้งเป็นอย่างละเอียดคืออาสวะอรูสัยก็ทรงละได้เส้นไม่มีเหลือทรงประกอบด้วยพระคุณทั้งปวงสรุปเข้าในพระปัญญาคุณระวิสุที่คุณพระมหากรุณาคุณอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้น ยังไม่มีภูณ ด, ดยติเตียนพระองค์ได้ในด้านของความระพฤติในด้านของความรู้คือความตรัสรู้แม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งในทรงปฏิบัติมาได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างจินทรงสอน และในการสอนนั้นแล่าก็ทรงสอนอย่างที่ให้สำเร็จประโยชน์ได้ดังที่เรียกกันว่าในปัจจุบันทรงได้มีความรู้ในวิชาครูอย่างสมบูรณ์ ดังที่ได้ตรัสไว้เองว่าทรงสอนในธรรมะที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นทรงสอนมีเหตุ อันผู้ฟังอาจรองตามมาเห็นจริงได้ทรงสั่งสอนมีปาฏิหารคือเป็นจริงปฏิบัติได้ผลจริงสอนว่าดีก็ดีจริงสอนว่าชั่วก็ชั่วจริง ทำดีตามที่ส่งสอนก็ได้ดีจริงทำชั่วตามที่ส่งสอนก็ได้ชั่วจริงนี่เป็นปาฏิหาริย์แล้วก็ปฏิบัติได้จริงดังนี้ในปัจจุบันนี้เองผู้ปฏิบัติก็รู้ได้ด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นจึงได้ทรงสอนอย่างได้ผลไม่ใช่ว่าทรงสอนเรื่อยๆไปรู้อะไรก็สอนไปสอนไป โดยไม่มีขอบเขตทำให้ไม่ได้ผลแต่สรงสอนเฉพาะที่ควรรู้ควรเห็นรือเป็นไปเพื่อให้รู้ให้เห็นได้ดังที่กล่าวมันนั้นเป็นต้นและในข้อนี้ก็ทรงประกอบด้วยลักษณะของครู ผู้ยอดเยี่ยมคือได้ทรงมีอิทธิปาฏิหาริย์คือทรงมีฤทธ เป็นอัศจรรย์ฤทธคำนีแ้แปลว่าความสำเร็จและก็หมายถึงความสามารถทำอะไรได้ที่เกินวิสัยของสามัญมนุษย์ได้ด้วยแต่ว่าจุดประสงค์สำคัญนั้นคือความสำเร็จ คือทรงสามารถที่จะทรมานหรือว่าทรงสามารถที่จะฝึกบุรุษบุคคลที่ควรฝึกให้สิ้นมานะสิ้นทิฏฐิที่ผิดมาตั้งใจฟังคำสั่งสอนของพระองค์ได้ ต้องมีอาเทศนาปาฏิหารคือความรู้อ่านกิตใจนักใจของผู้ฟังได้เป็นอัศจรรย์คือทรงรู้ถึงอุปนิสัยวาสนาบารมี หรืออินทรีย์ของผู้ฟังว่าเป็นอย่างไรควรจะแสดงธรรมะขอไหนโปรดเขาจึงจะสามารถรับได้สามารถรู้ได้ปฏิบัติได้เรียกว่า อ่านใจได้แลวคำว่าอ่านใจได้นี้ก็หมายถึงอ่านอุปนิสัยนิสัยวัสนารบารมีของบุคคลนั้นนั้นออกไม่ใช่หมายความเพียงว่าอ่านใจคือความคิด ของบุคคลแต่ละคนในปัจจุบันเท่านั้นอันอุปนิสัยวัสนาบารมีหรืออินทรีย์ของแต่ละบุคคลนั้นแม้เจ้าตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองนั้น มีอุปนิสัยวัสนบรรมีอินทรีย์เพียงไรแต่พระพุทธเจ้าทรงทราบเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงคำสอนได้ถูกต้องพ่อเหมาะพอควร แกอุปนิสัยของบุคคลนั้น น, นัอันสามารถที่จะทำให้เขาเข้าถึงธรรมะได้เขาสามารถที่จะรับมาปฏิบัติดำเนินเพิ่มเติมอุปนิสัยให้ยิ่งเกยียงขึ้นไปได้เพราะฉะนั้น ธรรมะที่ทรงแสดงแก่บุคคลนั้นๆจึงมีเป็นอันมากดังที่ประมวลเข้าที่เรียกว่าแปดมืสี่พันประธรรมขันหรือเป็นไตรปิฎกปิฎกสามแต่และปิฎกก็มีข้อธรรมะมากมาย ดังนี้เพราะทรงมีความรู้ในอุปนิสัยวาสนาบารมีของแต่ละบุคคลและทรงมีอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือคำสั่งสอนที่เหมาะสมเป็นอัศจรรย์ดังที่กล่าวมาแล้วเพื่อเมื่อทรงรู้ อุปปนิสัยของบุคคลก็ประทานคําสั่งสอนที่เหมาะสมให้แก่เขาได้นี้เป็นเหตุให้ธรรมะที่ทรงสั่งสอนนั้นมีมากมายประบุคคลที่ฟังธรรมะนั้นมีมากมายก็ทรงก็ทรงทรงจำแนกแจกแจงแสดงข้อนั้นข้อนี้ให้เหมาะสมแก่แต่และบุคคล แต่ละคณะที่ฟังคำสังสอนของพระองค์นี้เป็นอนุสาสนีปฏิหารคำสังสอนเป็นอัศจรรย์อันรมอาการเขาเป็นสามข้อดังกล่าวมาข้างตน้นก็คือสอนข้อที่เป็นไปเพื่อให้รู้ให้เห็นในธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นมีเหตุที่ผู้ฟังตรองตามไม่เห็นจริงได้ และมีปฏิหารก็คือเป็นจริงได้ผลจริงเพราะฉะนั้นผู้ฟังคำสั่งสอนของพระองค์จึงต้องได้รับผลตั้งตน้นแต่ได้ศรัทธาภาษาธะใน พระพุทธศาสนาในพระพุทธเจ้าในประธรรมประสงค์ได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามควรเกีภูมิชั้นซึ่งบางคนก็เป็นอุคติตันยูรู้เร็วทรง ยกพัวข้อทำขึ้นแสดงก็รู้แล้วไม่ต้องอธิบายบางจำพวกก็เป็นวิปติตนวิปจิตันอยู่เมื่อยกัวกข้อทำขึ้นก็ต้องอธิบายบางจำพวกก็เป็นเนยะแนะนำได้คืออธิบายผนเดียวก็ยังไม่เข้าถึงธรรม ต้องอธิบายแนะนำอยู่บ่อยๆก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมรู้ธรรมะได้จักสุคือดวงตาเห็นธรรมได้ดังนี้ฉะนั้นจึงได้เกิดมีพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสก อ, อุบาสิกา ได้มีพระสาวกเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอระหรันเป็นพระอนาคามีเป็นพระสกทาคามีเป็นพระสะูาาะสดาบันรวมกันเป็นพระสงฆ์เป็นจำนวนมากนี่แสดงถึงความเป็นศาสนาของพระองค์ ซึ่งควรกันนามาพระบรมศาสดาจงเป็นพระศาสดาของเทพทั้งหลายด้วยของมนุษย์ทั้งหลายด้วยเพราะฉะนั้นจึงได้พระนามมาัทธาเดวมนุษย์สร้งางนังเป็นศาสดาของเทพและมนุษย์ทั้งหลายต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจความศรนและตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป